บทภาชณีปาจิตตีห้ารี่สิบพิสูจน์ทำผ้าปิดวงเล็บเกินขนาดฝีที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้พู้นให้ทำผ้าปิดฝีที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติปาจิตตีพิกษุน์ทำผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้พู้นให้ทำผ้าปิดฝี